มัน่นคงต่อพระธรรมคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาบาเพ็ญมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้ รับผลของกรรมนั้นคำว่ากรรมนี้หมายถึงการกระทาคาว่ากรรมมีความหมายที่เราใช้กันอยู่สองอย่างด้วยกันทางธรรมะหรือทางาศาสนากรรมแปลว่าการกระทาส่วนทางโลกเราแปลกรรมว่าบาปเช่นเราเรียกว่าบุญกรรม บุญกรรมนี้เราหมายถึงบุญและบาปที่เราได้ทํากันมาเป็นบุญเป็นกรรมถ้าได้ดีได้ดีก็เป็นบุญถ้าตกทุกข์ได้ยากลําบากเดือดร้อนก็เป็นกรรมแต่ความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงตัดคําว่ากรรมนี้หมายความว่าการกระทำํำมีอยู่สามทางด้วยกัน ทางกายทางวาจาและทางใจทางกายเราเรียกท่านทรงเรียกว่ากายกรรมทางวาจาทรงเรียกว่าวจิกกรรมทางใจทรงเรียกว่ามโนกรรมนี่คือการกระทําที่ทําได้สามทางด้วยกันการกระทําทั้งสามทางนี้มีการกระทําทางใจเป็น เป็นนายส่วนการกระทําทางวาจาและทางกายเป็นบ่าวคือการกระทําทางใจเป็นผู้สั่งการถ้าไม่มีการกระทําทางใจก็จะไม่มีการกระทําทางวาจาและทางกายเช่นเวลาที่ร่างกายนี้ไม่มีใจครอบอยู่แล้วครอบครองอยู่ คือคนที่ตายแล้วดวงใจนี้ได้ออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายนั้นก็จะไม่สามารถขยับเขยื้อนหรือทำอะไรได้หรือพูดอะไรได้เพราะผู้สั่งการคือมโนกรรมไม่มีไม่ไม่มีอยู่ในกายแล้วการกระทำทั้งหมดจึงสำคัญที่การกระทาทางใจเป็นหลัก การกระทาตามใจก็คือความคิดของเรานี่เองความคิดของเราก็คิดไปได้สามทางคิดไปในทางบุญเรียกว่ากุศลคิดไปในทางบาปเรียกว่าอากุศลและคิดไปในทางกลางกลางคือไม่เป็นบุญหรือไม่เป็นบาปก็เรียกว่าอัพภกิจคือเป็นการอัิยากตา แปลว่าเป็นการกระทาที่ไม่เกิดโทษหรือไม่เกิดคุณการกระทาที่ไปในทางบุญก็จะเกิดผลดีจะทำให้ใจมีความสุขทำให้ใจมีความเจริญคือใจจะสูงขึ้นถ้าคิดไปในทางบาปใจก็จะต่าลงใจก็จะมีความทุกข์ นี่คือการกระทำที่สัตว์โลกทั้งหลายทำกันอยู่เป็นปกติและการกระทำ น, นี้เองที่ทำให้สัตว์โลกนั้นมีความสูงต่าไม่เหมือนกันไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้มีสูงมีต่าเสมอมีรวยมีจนเสมอ ความรวยความจนนี้เราไม่สามารถจะมาบังคับให้เท่ากันได้ไม่ว่าจะมีระบบการปกครองกี่ระบบแล้วก็ตามที่พยายามที่จะทำให้มนุษย์เหล่านี้มีความเท่าเทียมกันในฐานะการเงินการทองทำมากีิลทัทธิแล้วก็ตามก็ไม่ประสบความสาเร็จ เพราะมันขัดกับหลักความจริงว่าสัตว์โลกนั้นมีกรรมเป็นของของตนใครทำบุญมาก็จะดีจะสูงจะเจริญจะรวยใครทำบาปมาก็จะต่ำก็จะจนนี่เป็นหลักตายตัวมีมาทุกยุคทุกสมัย <c oughs> และก็มีสัตว์โลกผู้ที่ไม่ฉลาดพยายามที่จะ ฝืนหลักความจริงอันนี้พยายามสร้างวิธีการปรกครอตงต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มนุษย์อยู่ในสังคมมีความเท่าเทียมกันแต่ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จเช่นรัฐทีคอมมิวนิสต์นี่ก็พยายามที่จะให้ทุกคนมีฐานะเท่ากัน แต่พอคนที่มาเป็นใหญ่เป็นโตก็ถูกอำนาจกิเลสของตนเองนั้นครอบมอมแล้วก็พยายามตักตวงผลประโยชน์ให้แก่ตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนตนเองกลายเป็นผู้ร่ำรวยไปส่วนคนที่เขาจะมาพยายามทำให้ร่ำรวยเท่าๆกันนั้น ก, ก็ก็ยังยากจนเหมือนเดิมอยู่ จนในที่สุดลทัทธิคอมมิวนิสต์ก็ต้องถูกล่มสลายไปเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามหลักความจริงคือหลักกรรมนี้เองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรานั้นยอมรับหลักกรรมรับกฎของกรรมเราเกิดมารวยหรือจนก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของบุญของกรรมของเรา ที่เราได้ทำมาในอดีตแต่เราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องรวยเสมอไปหรือจนเสมอไปคนรวยก็จะจนได้คนจนก็จะรวยขึ้นมาได้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมใหม่ที่เขาจะมากระทำในชาตินี้เองคนรวยถ้าทำกรรมไม่ดีเช่นไม่รู้จักใช้เงินใช้ทอง ไม่รู้จักหาเงินหาทองรู้แต่ใช้อย่างเดียวหาไม่เป็นไม่นานก็จะเป็นคนจนได้ส่วนคนจนถ้ารู้จักหาเงินหาทองรู้จักเก็บเงินเก็บทองรู้จักใช้อย่างประจักษ์ก็จะกลายเป็นคนรวยขึ้นมาได้เหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันกรรมในปัจจุบันดังนั้นถ้าเราเกิดมาจนก็อย่าท้อแท้ ขอให้เรามีความเชื่อในกฎแห่งกรรมว่าถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาหาความรู้ที่จะทํามาหากินด้วยอาชีพที่สุดเจริญแล้วก็รู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักประหยัดใช้เท่าที่จําเป็นเชื่อได้ว่าไม่นานก็จะเป็นคนรวยขึ้นมาได้เพราะมีคนที่เขารวยแบบนี้กันอยู่ ถ้าเราศึกษาประวัติของเศรษฐีบางคนเขาก็เกิดมายากจนเขาไม่ได้เกิดมาในครอบครัวของเศรษฐีแต่เขาก็สามารถที่จะสร้างฐานะของเขาให้ร่ำรวยขึ้นมาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยการสนใจศึกษาหาความรู้ด้วยการประหยัดด้วยการใช้เงินในเรื่องที่จาเป็นเท่านั้น เขาไม่นานเขาก็กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้นี่คือหลักของกรรมเป็นอย่างนี้เพราะคุณเจ้าเล่าจะน้องสอนให้เราถือหลักอัตตาหิอัตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเรานี่แหละเป็นผู้ทําให้เรารวยหรือทําให้เราจนอยู่ที่เราถ้าเราฉลาดเราก็จะรวยได้ ถ้าเราโง่เราก็จะจนเราจรึงต้องเข้าหาหรืออยู่ใกล้คนฉลาดเช่นเราไปโรงเรียนนี้เราก็ไปหาคนฉลาดกว่าเราก็ครูอาจารย์ทั้งหลายที่สอนวิชาความรู้ต่างๆให้แก่เราคนที่ได้รับการศึกษากับคนที่ไม่ได้รับการศึกษาจึงมีผลแตกต่างกันคนที่ได้รับการศึกษาสูง มักจะมีฐานะการเงินที่ดีกว่าคนที่ได้รับการศึกษาต่ำดังนั้นถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ต้องขวนขวายหาความรู้ต้องหมั่นศึกษาไฝ่รู้ไฝ่เรียนพยายามเรียนให้มากเพราะความรู้นี่แหละจะเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินในการที่จะทําให้เรา มีฐานะการเงินการทองที่ดีขึ้นไปตามลาดับอย่ามีความเห็นผิดที่ไปโทษคนที่เขารวยว่าเขาเอารัดเอาเปรียส่วนตนวยส่วนตนยากจนเพราะถูกคนอื่นเขาเอารัดเอาเปรียนี่เป็นความเห็นไม่ถูกต้องแล้วอย่าไปเรียกร้องให้ผู้อื่นเขามาช่วยเหลือ ทำให้เราร่ําให้เรารวยเราต้องทําด้วยตัวของเราเองถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนอดกลั้นก็จะมีคนที่จะยินดีสนับสนุนเราที่จะช่วยเหลือส่งเสริมให้เราได้ก้าวหน้าให้เราได้จเจริญต่อไปแต่ถ้าเราเป็นคนเกียจคร้านมีแต่บน่นมีแต่ด่าคนอื่น แล้วนั่งเรียกร้องสิทธิต่างๆก็จะไม่มีใครเขาจะมาสนับสนุนมาช่วยเหลือเราเพราะคนงอมืองอเท้านี้ช่วยอย่างไรก็ไม่มีทางจ ะ, จะเจริญได้เพราะเขาจะไม่ยอมทำอะไรด้วยตนเองจะให้ผู้อื่นทำให้กับเขาเขาเพียงแต่จะแบงมือ รอรับเงินทองพอได้เงินทองก็เอาไปใช้จนหมดพอหมดแล้วก็มาเรียกร้องใหม่การแก้ปัญหาด้วยการแจกเงินแจกทองให้แก่ผู้อื่นที่เดือดร้อนนี้จึงไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถาวร อ, อาจจะแก้ได้ชั่วระยะสั้นๆเวลาเขาขาดเงินขาดทองก็ให้เงินทองเขาไปใช้ แต่พอเข้าใช้เงินหมดแล้วเขาก็จะกลับมาแมม า, ม า, มาขอใหม่การช่วยเหลือที่เป็นการช่วยเหลือที่ยั่งยืนที่ถาวรก็ต้องช่วยต้องสอนให้เขารู้จักวิธีหาเงินหาทองพอเขาหาเงินหาทองได้แล้วเขาก็จะไม่ต้องมาขอขอรับการช่วยเหลือจากเราอีกต่อไป นี่คือหลักกรรมเป็นอย่างนี้คนเราในสังคมจึงมีฐานะไม่เหมือนกันรวยมากก็มีรวยปานกลางก็มีรวยน้อยก็มียากจนก็มียากจนมากก็มีนี่เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกแห่งทุกคนทุกยุคทุกสมัย แต่การกระทำในปัจจุบันก็สามารถที่จะพอแก้ไขได้เช่นผู้ที่มีฐานะดีก็ช่วยเหลือผู้ที่ฐานะไม่ดีให้เขามีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เมื่อเขามีความรู้เขาก็จะสามารถทำงานทำการทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นมาได้นี่คือ เรื่องที่มนุษย์เราในสังคมที่อยู่ร่วมกันที่พึงจะกระทำกันก็คือให้มีความเมตตาการุณาต่อกันคือช่วยเหลือกันช่วยเหลือยกฐานะความรู้ให้เขามีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเขาไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะทำมาหากินด้วยความสดจร็จ มีแต่จะขออย่างเดียวอย่างนี้มันก็เป็นกรรมของเขาไม่มีใครที่จะช่วยเขาไปได้ตลอดเวลาสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องลำบากลำบนขึ้นมาเพราะเขาไม่ยึดหลักอัตตาหิตอั ต, ตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนพวกเราทุกคนนี้มีความสามารถหรือมี มีกายมีใจเหมือนกันทุกคนเรามีกายมีใจที่สามารถทำกรรมดีแล้วทำให้เราเจริญก้าวหน้าได้หรือทำกรรมไม่ดีแล้วทำให้เราตกต่ำได้หรือไม่ทำทั้งสองอย่างเราก็จะไม่ขึ้นไม่ลงเราเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นจะรวยขึ้นก็ไม่รวยขึ้นจะจนลงก็ไม่จนลง ทั้งหมดมีอยู่ที่การกระทำของเราทั้งนั้นที่เรามาเกิดในชาตินี้เป็นต่า ง, างกันนี้ก็เพราะเราทำบาปทำบุญมาไม่เท่าเทียมกันถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญฐานะของเราก็จะต่ำกว่าคนที่ทำบุญมากกับทําทบาปนี่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นี่เป็น เป็นหัวใจของคําสอนของพระพุทธศาสนาก็คือกฎแห่งกรรมนี่แหละทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอัตตาเหตุอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้กระทําถ้าทํากรรมดีก็จะรับผลดีไปถ้าทํากรรมชั่วก็จะรับผลชั่วไป ไม่มีใครทากรรมแทนกันได้ไม่มีใครรับผลแทนกันได้เมื่อทำกรรมไปแล้วก็ไปลบล้างไม่ได้ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วทำบุญไปแล้วก็ไปล้างไม่ได้ทำบาปไปแล้วก็ล้างไม่ได้ไม่จะต้องคอยรับผลของบาปและบุญที่จะตามมาเท่านั้นดังนั้นเวลาที่เรา มีข้อกรรมต่างๆก็ขอให้เรารับไปเสียอย่าไปโทษคนนั้นโทษคนนี้เพราะมันจะเป็นการสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาโดยใช่เหตุถ้าเราไม่ยอมรับว่าข้อกรรมของเรานี้เป็นผลที่เกิดจากกระทํำของเราในอนดีตแล้วไปโทษคนอื่นว่า เขาทำให้เราเดือดร้อนเดี๋ยวเราก็จะต้องไปทําร้ายเขาแล้วก็ไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาซ้อนกรรมเกรร่าแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นกรรมของเราอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในชีวิตนี้ขอให้เรารับมันว่ามันเป็นวิบากเป็นผลที่เกิดจากการกระทําของเราไม่ว่าจะ เป็นบุญก็ดีหรือเป็นบาปก็ดีเวลาเรามีความสุขเวลาเรามีความเจริญก้าวหน้าก็ขอให้เราคิดว่ามันเป็นผลของบุญที่เราได้ทํามาเวลาที่เราลับเคาะกรรมต่างๆ ต, ตกทุกข์ได้ยากลำบากลําบนก็ขอให้เรายอมรับว่ามันเป็นผลของบาปกรรมที่เราทํามา อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปหาเรื่องคนอื่นเพราะจะทำให้เราต้องสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มขึ้นมาใหม่และอย่าไปตอบโต้ถ้าเป็นการกระทําของผู้อื่นที่ทำให้เราเดือดร้อนก็ขอให้คิดว่าเป็นการใช้หนี้กรบเราคงเคยไปทําเขามาก่อนในอดีต วันนี้เขาก็เลยต้องมา่วงนี้คืนไปถ้าเขามากันแกล้งเรามาทำร้ายเรามาทำลายทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองของเราหรือญาติที่น้องของเราสามีภรรยาบุตรทีดาของเราก็ขอให้เราคิดว่าในอดีตรเราคงเคยไปทำแบบนี้มาก่อนวันนี้เราเลยต้องมาใช้กรร ดังนั้นขอให้เราเชื่อกรรมเชื่อการเชื่อว่ากรรมนี้แลเป็นผู้ที่จะทำให้เรารับผลต่างๆทั้งดีและชั่วถ้าเราไม่อยากจะรับผลที่ไม่ดีก็อย่าไปทำบาปอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปทำร้ายผู้อื่นปยายาทำแต่ความดีสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว เราจะมีผลดีตามมาต่อไปแต่ในขณะที่เราทำความดีเราก็อยากไปมองถึงผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเป็นผลที่เกิดจากการกระทาของเราในวันนี้ mm hmm. เช่นบางทีเราทำความดี mm hmm. แต่เรากลับรับเคาะกรรมต่า ง, างๆก็อยากไปโทษว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะเคาะกรรมของเราในวันนี้มันเป็น ผลของการทำบาปของเราในอดีตส่วนการทำความดีของเราในวันนี้มันยังไม่ส่งผลเหมือนปลูกต้นไม้วันนี้มันยังไม่ออกดอกออกผลให้เรา ท, ทันทีส่วนต้นไม้ที่ออกดอกออกผลให้เราในวันนี้มันเป็นต้นไม้ที่เราปลูกมาก่อนในอดีตต้องคิดอย่างนี้ไม่เช่นนั้นเราจะมีความท้อแท้ ในการทำความดีจะคิดว่าทำดีไม่ได้ดีหรือในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบาปทำกรรมแล้วเราได้ดิบได้ดีก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นผลจากการทำบาปทำกรรมของเราขอให้คิดว่าเป็นผลของการทำความดีของเราในอดีตที่ทำให้เรายัางได้ดีดได้ดีทั้งๆ ท, ที่ในปัจจุบัน เรากำลังทำบาปทำกรรมขอให้เราคิดว่าบาป ก, กรรมที่เราทำในวันนี้มันจะต้องตามมาอย่างแน่นอนในวันข้างหน้าถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่กล้าไปทำบาปเช่นสมมติเราไปฆ่าผู้อื่นก็ขอให้เราจำไว้ว่าเวลาเราไปเกิดชาติหน้าเราจะต้องถูกคนอื่นเขาฆ่าเราอย่างแน่นอน ดังนั้นหรือถ้าชาตินี้เราถูกคนอื่นเข้ามาทําร้ายมาฆ่าเราก็ขอให้เราคิดว่าชาติก่อนเราเคยแต่ฆ่าเขามาก่อนเช่นพระโมคคัลลานะท่านมีอิทธิฤทธิ์ท่านสามารถใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยเหลือป้องกันชีวิตของธัณฑาร์แต่ท่านไม่ยอมใช้ท่านขอยอมรับกรรมมีคนมาตามฆ่าท่านท่านก็ไม่ใช้อิทธิฤทธิ์เพราะท่านคิดว่า นี้เขาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะตามมาอยู่ดีกรรมตาบใดที่ยังไม่ส่งผลต่อให้เราหนีได้ในวันนี้มันก็จะตามมาในวันต่อไปมันจะตามเราไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะส่งผลให้กับเราแล้วมันถึงจะหมดผลได้ดังนั้นอย่าไปหนีกรรมวิธีที่หนีกรรมที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปสร้างกรรม ถ้าเราไม่สร้างกรรมแล้วต่อไปก็จะไม่มีวิบากรรมที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเช่นพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านสร้างแต่มุญในภพสุดท้ายของท่านในชีวิตสุดท้ายท่านสละทุกอย่างสละความสุขทางโลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสมบัติข้าวเข้กเงินทองต่างๆหรือ ภรรยาหรือบุตรที่ดาสามีแล้วก็ออกรักษาศีลออกบวชรักษาศีชลชาระต้นเหตุที่ทำให้ท่านต้องไปทำบาปทำกรรมหรือบุญให้หมดไปจากใจพอได้ชาระเหตุที่จะทำให้ท่านต้องไปสร้างบาปสร้างบุญแล้วท่านก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป แล้เมื่อไม่ไปเกิดแล้วบุญหรือบาปทั้งหลายที่ได้เคยทำไว้ในอดีตที่ยังไม่ส่งผลก็จะไม่สามารถที่จะส่งผลให้กับใจของท่านได้เพราะใจของท่านไม่ได้ไปเกิดใหม่ไม่มีร่างกายใหม่ไม่มีพพใหม่ชาติใหม่นี่แหละคือวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรา ลบล้างบาปและบุญทั้งหลายที่เราได้เคยทำมาในอดีตได้อย่างหมดสิ้นคือเขาจะไม่สามารถที่จะมาส่งผลให้กับเราได้อีกต่อไปถ้าเราไม่เกิดแต่ถ้าตราบใดเรายังเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดร่ำรวยหรือเกิดยากจนเราก็จะต้องมีกรรมตามมาหรือมีบุญตามมา อย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงควรพยายามทำแต่บุญอย่างเดียวอย่าทำบาปเพราะเราจะได้มีความสุขในปัจจุบันและเราจะได้หนีพ้นจากบาปจากกรรมที่เราไม่ปรารถนามีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้น เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ทำกันแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราทั้งหลายปฏิบัติตามกันผู้ที่ปฏิบัติได้ก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากกรรมทั้งหลายไป ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ต้องกลับมาเกิดกลับมารับผลกรรมต่อไปมีเท่านี้มันเป็นกฎตายตัวจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่ไม่สำคัญถ้าไม่เชื่อแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้รับผลดีถ้าเชื่อแต่ทาบาป ท, ทากรรมก็จะต้องรับผลกรรม เพราะมันไม่ได้อยู่ที่เชือ่อไม่เชื่อแต่การเชื่อนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะถ้าเราเชื่อแล้วเราก็จะไม่กล้าทำบาปทากรรมเราก็จะทำแต่บุญอย่างเดียวดังนั้นขอให้เราเชื่อก่อนเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคำสอนเชื่อในพระอริยสงสาวกว่าท่านเป็นผู้ที่เดินไปในทางที่ถูกที่ควร เปในทางที่พวกเราควรที่จะดําเนินตามเราอย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปเชื่อคนหูหนวกตาบอดคนที่ปฏิเสธคําสอนของพระพุธทธเจ้าเช่นปฏิเสธว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคือผลของบาปผลของบุญไม่มีตายแล้วสูงตายไปแล้วจบอย่างนี้ไม่ใช่เขาไม่เห็นดวงใจ เขาเห็นแต่ร่างกายเขาคิดว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปรับผลบาปผลกรรมได้ต่อไปแต่เขาไม่รู้ว่าใจผู้ที่ไปหาร่างใหม่นี้จะต้องเป็นผู้รับผลต่อไปเพราะใจนี้เป็นธรรมชาติที่ละเอียดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าๆจะต้องเห็นได้ด้วยใจที่สงบ ใจที่มีสมาธิเท่านั้นถ้าเราอยากจะเห็นใจขอให้เราทําสมาธิกันเหมือนกับเชื้อโรคที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาตเปล่าเพราะมันเล็กมากแต่ถ้าเรามีกล้องจุลทรรศเราจะสามารถเห็นเชื้อโรคได้พวกหมอทั้งหลายนี้เขามีกล้องจุลทรรศกันเขาสามารถมองเห็นเชื้อโรค ที่ทำให้เราเกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เพราะเขามีเครื่องมือเขามีกล้องจุลทรรศน์ถ้าเราอยากจะเห็นใจเราก็ต้องมีเครื่องมือก็คือเราต้องมีสมาธิถ้าเรามีสมาธิจิตสงบก็จะเห็นใจเหมือนกับน้าที่สงบนิ่งใสสะอาดก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ำ แต่ถ้าน้ำไม่นิ่งน้ำขุ่น ม, มัวก็จะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายได้ในน้ำได้ฉันใดใจของเราก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นใจของเราได้ต่อเมื่อใจของเราสงบนิ่งนี่เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถเห็นใจของเราได้พอเราเห็นใจของเราแล้วเราก็จะ เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างสนิทใจเชื่อว่าผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายแต่จิตใจเป็นผู้รับผลและเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะไม่สงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะมีศรัทธา ที่จะทำบุญที่จะละบาปที่จะชำระใจของเราให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุสร้างภพชาติให้กับเราที่เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมพอเราได้ชำระใจของเราได้สะอาด บ, บริสุทธิ์แล้วเราจะไม่ทำบาปต่อไป เพราะเราไม่มีความโลภเมื่อไม่มีความโลภ ก, ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปคนที่ทำบาปกันเพราะมีความโลภอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่มีปัญญาที่จะหามาได้ด้วยวิธีที่สุดจริญ ก, ก็ต้องหามาโดยวิธีทุจริต ก, ก็คือไปทาบาปนั่นเองเช่นไปลักทรัพย์ ไปขโมยข้าวของต่างๆพราะอยากได้แต่ไม่มีปัญญาที่จะซื้อมาก็เลยต้องไปลักทรัพย์ไปขโมยข้าวของมาก็ทําบาปแต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้อะไรเราก็ไม่ต้องไปลักทรัพย์ไม่ต้องไปทําบาปแล้วเมื่อเราไม่มีความโลภเราก็จะไม่มีความโกรธเพราะอะไร เวลาความโกรนี้มักจะเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้อะไรดังใจนั่นเองเวลาเราอยากได้อะไรแล้วมีคนมาขัดขวางเราเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาในคนที่ทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เมื่อเราโกรธแล้วเราก็จะไปทำบาปทำกรรมไปทำร้ายคนที่เขาทำให้เราโกรธนี่คือปัญหาของพวกเรา อยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธก็เกิดจากความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าใจของเรานี้ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีอะไรใจของเรานี้ต้องการอย่างเดียวเท่านั้นก็คือความสงบถ้าใจสงบแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอถ้าใจไม่สงบใจก็จะมีความโลภมีความโกรธ พราะมีความหลงคอยกระตุ้นให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดวยวิธีการต่างๆแล้วก็ต้องมารับเคาะกรรมเพราะผู้อื่นที่เขาเดือดร้อนเขาก็จะต้องมาจัดการกับผู้ที่สร้างความเดือดร้อน นี่คือไม่ใช่เป็นวิธีที่จะให้สร้างความสุขให้กับตนเองวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองก็คือต้องทาใจให้สงบให้นิ่งแล้วยอมรับผลของบาปของบุญที่ตนเองได้ทามายอมรับสภาพของตนถ้ายากจนก็ยอมรับว่ายากจนถ้าร่ำรวยก็ยอมรับว่าร่ำรวย แต่ถ้ารวยแล้วอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นก็ทําได้หรือถ้าจนแล้วอยากจะรวยก็ทําได้ถ้าทําด้วยวิธีที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็ไม่เป็นปัญหาอย่างไรนี่คือหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนลงที่การกระทําของเรานี้เองดังนั้นขอให้เราให้ความสนใจต่อการกระทําของเรา ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ถ้าเราทําอะไรดีก็ขอให้เราทําให้มากขึ้นไปถ้าเราทําอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้เราพยายามตัดพยายามลดพยายามหยุดแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นไปตามลําดับอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิพจิตติจารณาและปฏิบัติ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 โดยทั่วหน้าการเทอ